ทรงประชุมสงบน ญ, ญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีทุลนันนายืนเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้างพูดกระซิบข้างบ้างสองต่อสองกับชายในถนนบ้างตรองตันบ้างทางสามแพ่งบ้าง ส่งภิกษุดีผู้เป็นเพื่อนกลับไปก่อนบ้างจริงหรือภิกษุทั้งหลายุรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าส่งคำนีนว่าภิกษุทั้งหลายชนัยภิกษุณีทุลนันทายืนเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้างพูดกระซิบข้างหูบ้างสองต่อสองกับใจในธรบ้างตรอกดันบ้างทางสามแ้างบ้างส่ง